ทำอยู่กับใจที่ไหนอยู่กับคำพีนี้วางในใจนะอทําอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจออทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่ยักเชื่อพระธรรมแปดหมื่นสิบพันพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใบคํำพีทั้งนั้นมาว่าอยู่ที่ใจทั้งมันว่ า, วานี่เป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของ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 จิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะฟังธรรมอยู่ที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านงน้นมันไม่อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้สง่งจะส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทำความรู้และทำตัวเองทำจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากกระแสแอย่างที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งอกไปโน้นหาท่านเทศ ดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่านเลยมันถึงถนัดฟังเทศทําไมดูหน้าผู้เทศแล้ยดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดมีเป็นความรู้สึกตั้งเลยแล้วเวลาปัง น, น, นานๆ น, นี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อทําทอยู่ที่ใจสมาธิทำอยู่ที่ใจแล้วมี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 ผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขนาดที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความซึ่งสร้างวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆเอ๊ะทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทำให้เกิดความ้นใจขึ้นอยู่ในนี้จะพยายามหาทางสงบให้ได้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 คือทำสัาผัดเป็นขนะขนะตามกระแสะเสียงกันทีเทิเป็นบกเป็นบัตรสัมผัสต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆอีกก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพระนันการฟังธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์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 เพียงไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ภัยก็ว่าร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอำนาจตองกิเลสเรื่องของกิดเลสแต่จจไม่ตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นอานที่สอนนะเห็นโทษ พยายามตั้งสติพิจนารณาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจเมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับการพยัญชนะในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ไหนก็ตามต้องได้อุบายแง่พายขึ้นมาโดยลําดับอย่างท่านสอนว่าชาราปิทุกขามานนำปิทุกขัง อริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติบูขาฉลาบิบูขาชาความเกิดเป็นทุกข์เราก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดเหนลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรหายลูกหลานของญาติมิตรหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำหนึงเพืความทุกข์ของเหล็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละลายลายทึ่ว่รอดตายนั่นมามานั้นเลย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 เป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์อันนี้มันมีมาทั้งตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัตยธรรมเป็นสิ่งที่น่าเห็นโทษเห็นไถ่เป็นความขยะแขยงื่อจะกำจัดตัดต่อให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความท่าเคี่ยมของเรามีสติ ป, ปัญญาเป็นสาคัญเผื่อเรามีความเพลิดเพลินใน ความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายถึงความเกิดเราพอใจความตายเราไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยังคําความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเราต้องเป็นควา ม, วามทุกข์อยู่โดยดีก็ให้ต้นกับปลายโกลมกันจริงต้องให้พิจารณาไปถึงสัจชาปติปิยขาชร า, าปิยขามานำปุกขงังตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งความทุกข์กเดินทั้งนั้นมันจะทางอะไรเดือด เมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบลู่ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วทั้งกวัวติกขั้งนาถิอาชาตาัดสัว์ทุกย่อมมันมีแต่ผู้ไม่เกิดนานม่อไม่เกิดมาแล้วมันจะมีทุกที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุกไม่มีนั่นเองทุกก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระอาหารท่านกิงไม่มีทุกเวทนาภายใน จ, จิตใจ หรืว่าเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีภายในจิตใจของบระหันท์ท่านไม่มีมีแต่จิตของพวกเราการของพวกเราโจกลางท่านมีท่านทุกเหมือนกันกันกบเราเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตนะั่นรับทราบไม่สามารถที่จะทุกระเทือนจิตใจงท่านให้หวันไหวไปได้เหมือนจิตใจของผู้ทุกชนสุขท่านก็รู้ในส่วนนั่งกายทุกท่านก็รู้ เฉยๆท่านกรู้แต่ทางด้านจิตใจของท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้งสามเพราะจิตนั้นพ้นไปจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกสินได้เลยเป็นธรรมล้วนๆอันนี้จังทุกขังต า, าที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนอันนี้จังทุกขังต า, าสุขทายเวทนาก็เป็นอันนี้จังทุกขงาาังตาอุเบกขาเวทนาก็เป็นอันนี้จังทุกขังัตาเนี้จึงไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นไม่ได้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 สุขติเสมอเป็นที่หวังได้เมื่อยังไม่พ้นจากกองทุกข์ให้เกียดติคัน้นพยายามถามีความสามารถที่จะเจริญเมตตาพรนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มเปด้วยความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทําไปอย่าได้ลดละขาดไปทุกวันขัดไปทุกวัน จิตใจเมื่อได้รับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความผา่องใสจิตมีความผ่องใสแล้วย่อมไปถึงเงาตัวเองเหมือนกับน้าําใสมองเห็นได้ชัดเจนจะเป็นฝากเป็นน้ำหรือเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามอยู่ในน้ํานั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นที่เป็นภัยอยู่ภายใจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่า ที่ข ม, มัวไปด้วยพิรศ อ, อาคมะมีความว่าวุ่นทั้งหลายผ่านจึงสอนให้ธรรมะอิจใจในโอวาทิท่านรวมไว้ในโพวาปฏิโมกข์ว่าสัพพะปัสสะอกระนังการเมตธรรมความชื่อทั้งหลายนั่นแหลประการเนี่ยกูเจ้าสูปส้ประซึมประทายังกุศอนให้ถึงพร้อมประการหนึ่ง สกิตรประโยชน์ปัังการทํากิจให้ผ่องแผ้วถึงความเมื่อสุกนั้นประการนึ่งเอทางพุทธานศาสนังนี้เป็นคำํำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปเศรหมองท่านไม่ให้ทำํำพยายามทําตั้งแต่กุศลที่มงามความดีเพราะความฉลาดของตน กุศลสูปราสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อม น, นั่นเองการทําติตให้มีความผ่องายจนถึงขัง้นเบิกสุกนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมนุเราที่จะทําพระพุทธเจ้าประลำบากภาษาว่าท่านหลายท่านขอลำบากบรรดาท่านพูดถึงความเบิกบึกต้องลําบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลําบากเพื่อความเบิกสึกเพื่อความบุดพ้นไม่ใช่ลําบากเพื่อความร่มจม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 ก็ค่อยส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประจักภายในจิตใจคือความสงบเย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่ม ใ, ใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทําหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความรื่นรมันมถึงด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ย มันสำคัญอยู่ที่ใจถ้าหากใจไม่ดีอยู่ในนี้มันก็ไม่ดีที่นิ่งว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีหลอกก็้าของไปเรื่อยๆที่โน้นว่าจะดีชากนี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีว่าตายไปเห็นจะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆ อ, อยู่นี้แหละมันหลอกผู้ที่กุ้มบุ่มถูกกุ้มลุ่มอยู่ด้วยความลุ่มลอนทั้งหลายมันหลอกเรา น, นั่นจะดี น, นี่จะดีมันไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมเนี่ยเพราะตัวนี้ไม่ดีต้องต้องแก้เพื่อให้ดีแก้ด้วยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากําจักด้วยความเพียรทําสมาธิก็ให้มีความสงบได้ บ, บังคับบัญชาจิตในขณะที่ทําสมาธิภาวนา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 อ้าวที่นี่เราจะพิจารณาที่มึงทุกข์มันก็มีกําลังอยู่พิจารณาพอใจทพิจารณาเพราะทุกข์เป็นหินนับสติรับปัญญาให้มีความให้มีให้ผมกล้าขึ้นเป็นลําดับตัดฟาดฟันกิเลส จ, จะอาสวะออกด้วยสมาธิประการด้วยปัญญาีถอดถอนกิเลสเป็นถอดถอนด้วยปัญญาจาัดกิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสบงบลง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 ความจาได้หมายรู้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นอื่นนั้นนั้นหรือเป็นเราเป็นของเราถ้าว่านั้นเป็นเราทั้งเราเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาทีเพราะทุกเพราะสัญญาจาได้แล้วดับไปจําได้แล้วดับไปเนียความทุกข์ก็เกิดดับดับเราถือว่าถึงนั้นเป็นเราแล้วก็ต้องพอให้เกิดเกิดดับดับรับความดัดล้อนไวไม่หยุดไม่ถอยทั้งทีงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับ มีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันหรือว่ารอบใจวิญญาณเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมืม่ อ, อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเกิดมุ่นได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพับทางตาทางหงูทางจมูกทางเลี้นทางกายมันก็ดับไปพร้อมๆพร้อมๆพรอมๆเนี่เอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระ รูปนั้นหรือเป็นตนเสียงหรือเป็นตนกลินว่าเครื่องน้ำผ่านนั้นหรือเป็นตนเออคืออะไรยินญาณความความรับทราบสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั้นหรือเป็นตนมันรับทราบพร้อมพร้อมแล้วดับไปพร้อมๆร้อมอมนั้นหรือเป็นตนเป็นตนอะไรความเกิดควาดับพร้อมไปถือเป็นตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้อย่างไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วดับเรายังถือความเกิดความดับนั้ว่าเป็นตน แล้วก็ยุ่งไปวันยั่ ง, งค่ำาเพราะสิ่งทั้งหลายมันนี้เกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเทวนาสุกทุกเฉเฉยไม่ว่าสัญญาทั้งขานนิยามันนี้เกิดมีดับของมันเป็นประจําอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะไปควาวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเราอยู่ได้อย่างไรทั้งทั้งที่มันเกิดมันดับก็ทราบ อ, อย่างประจักษ์จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของหมันผู้รู้ไม่ดับใจแท้แท้ผู้ผู้รู้ ผูนี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี้ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเลขนาทัญญาทังขานหนึ่งญานี่เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือที่เจ้าตัวฆ่าตายจะมาถือเป็นเนาเป็นของเราได้อย่างไรถ้าพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อาจจะประยึดถื อ, อ แต่เวลามันคิ่เห็นมันหนานามันไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมันมันไม่ทราอาไอาไมันด้านของมันจะวางลยนีแล้วพิจารณาให้เห็นตามกฎเกริงแล้วมันต่อยของมันเองต่อยออกโหมดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้ละ่ะเป็นสนามรบน ะ, น ะ, ะอ่เฉพาะอย่างยิ่งทุกเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกต า, าที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกเวทนานั่นแหละ กับจิตนี่นะเป็นสนามลบพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันจะทุกมากขนาดไหนมันไม่เลยตายทุกนี้ถึงถึงแค่ตายธาตุขันนี้ถึงแค่ตายจิตใจไม่ถึงแค่ตายเลยตายนะเพราะจิตไม่เคยตายมันเหนือสิ่งเหล่า น, นี้อความทุกข์กับทุกถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนั้นเวทนาตัวไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแค่มันดับองมันเท่านั้นมันจะทุกมากทุกน้อ ย, อยจิตนับทราบอยู่ตลอดเดนละ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 ทุกเวษณาทั้งหลายแต่พ่ออย่างยิ่งในวาระสุดท้ายเอากันให้เต็มเหนียวทีเดียวอะไรจะดับก่อนดับหลังถ้ามันรู้เพราะผู้รู้นี่จะรู้ตลอดสายจะมาสร้างทุกสิ่งทุ่อย่างดับไปหมดผู้รู้นี่ก็ยังไม่ดับนี่ละการพิจารณาถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลกะเสียครั้งหนึ่งเท่านั้นความอาจฐานในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงค้าวจำเป็นนางอย่างนี้มันจะเตรียมท่ากันเลยเตรียมท่าและไเตรียมท่าเป็นนักโรบเข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาปัญติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหันแหลกลงให้ถึงความจริ่นแหลกลงไปไม่ไปถึงไหนถึงความจริงนนะฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความปิ่นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความปิงนน้าราบไปหมด สงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อความจิตใจอันใดที่ยังมาก่อควาจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังยังยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าได้ถึงความจริงเต็มที่ทุกสัตวทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเหยาะมาแทนมายุมาควรจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทั่วทั่วกันไปหมดนั่นท่านเนี่ยว่าราบลงด้วยความจริงเพราะหน้าแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละ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 สติปัญญาได้นี่เป็นเครื่องมือที่บูบกให้ถึงความจริงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายและเป็นเครื่องสํารองปลอกยิ่งเด็ดออกจากจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนสติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ยิ่งเด็ดอสระจ น, นําสติปัญญานี้ไปใช้ในเวลาจําเป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาวตัวนตนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ อย า, ายกายมิจ้าแล้วหิบไก่กายอมเนม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเล็ก เ, กเกด็กแดงไปทั้งหมดไม่สามารถได้ทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิโต น, นาโถเอาให้เต็มภูมิตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราจะทำยังไงจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จกไม่กลายเป็นฆ่าศึกต่อเราเองถ้าเป็นเรื่องความรุ่งหลงความอ่อนแอความไม่มีสติปัญญาที่จะนํามาใช้ก็คือเป็นฆ่าศึกต่อตอนเอง ถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเปลี่ยนมีความแกล้วกล้าสามารถตามหลักธรรมเี่กทรสงสอนไว้พิจงงารณาลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวะรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละที่บตนเป็นที่พึ่งของตรงโดยแท้อ่าให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนอรคุกทางสนังกระฉามนี้กระเทือนอยู่ภาน จ, จิตใจไม่อยู่ที่ไหน ทำมังสนังกาะฉานนี้กระเทือนที่จิตใจซั่งครั้งสนังกระานนี้กระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้เพราว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายอขอให้เห็นแลแ้วแพาะออย่างยิ่งจิตทั้งดวงดีแด่คือธรรมทั้งดวงพอให้ธรรมะจิตนี้ยิ่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่ง พุโทโธธรมโอสังโฆไม่ทราบจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติของความรุ่งตัวเองที่แสดงความข้ำบูนอยู่เต็มที่แล้วก็ขันใดก็ฉันนั้นพระบริจ้าคธรรมประสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้ี่ผลแห่งการปฏิบัติกําจัด กิเลสอาสวตัวเองั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่าไม่ีราคานี้แต่ผู้คนเห็าใจคือที่โลกที่โกรที่หลงทำละที่นี่ออกโดยลำดับลำดับเมื่อหมดของประกะปวกนี่แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายท่านนี้ทานังปรมังสุญย่างอะไรสูญมันก็รู้เอก อะไรยังอยู่ก็รู้ใครจะเป็นรู้ยิ่งยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วเข<ะ>าคําว่านิพพานังปรมังสุญญังนี้ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้ายพวกเราไม่เห็นว่าเท่าไ้ไมันก่ออย่างนั้นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี่คําว่านิพพานังปรมามังสุญังจะไม่มีปัญห า, หลาเลย ประจักษกับใจแล้วอันใดสุขอันใดยังนิพพานังปรมังสุขขังตังเถิดคำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความมืดสุขของใจรวนร้วนยิ่งไม่มีการทำที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนทุกเวทนาทั้งหลายมีทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไรลนะ ปรามังสุขขังที่ประจํามจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไปแล้วไม่ใช่สุขที่เป็นทุก ข, ขังจากนตาัตตาจึงไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาขณะนี้พานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตบริสุทธิ์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้นี้อยูกับทุกคนการแสดงธรรมเห็ น, มนสมควรคววิติยังธนรม